พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าอุดรธานีที่บ่มเพาะพระกรรมฐานอ้าวลูกหลานนั่งประจำที่ หยุดในความสงบมีอะไรหลงตาจะพูดอะไรให้ฟังพวกเราคงจะเห็นพวกถือกล้องดูแทบๆนี่แหละพวกเราลกรูกหลานคงจะเห็นสัตต า, าติโจมอันนี้คือพวกเทศบาลอุรอนานธานีอะไรหลวงพ่อจำชื่อม่าหนะลวงพ่อเป็นพระป่า เรียกให้เป็นชื่อตามศัพท์ตามเสียงทุกอย่างคงเป็นเปนไม่ได้นะคือสลุกลมาจากเทศบาลนครอดุดรธานีจะมาขอถ่ายทำเนพวกนั้นลูกหลานที่เห็นเห็นวันนี้เป็นวันที่ส6หมีนาคมพุทธศักราช2560กเมื่อวานหลวงพ่อออกไปฉันข้างนอกไปฉันที่โรงเรียนวีรธาดา อำเภอสังคมนะลูกลานเป็นลูกเขยเป็นลูกสาวของโยมบ้วยสังคมของเราเนี่ยนะหลวงพ่อก็ได้เด้ยพระไตชันที่อำเภอสังคมก็รู้สึกพี่น้องประชาชนกม็มากอยู่แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะเขาขทำเป็นการส่วนตัวภายในไม่มาก ดูแล้วก่อนสมมาสมควะแล้วก็วันนี้ทางกลุ่มจะมาขอถ่ายทยหลวงพ่อก็อ่านอ่านดูเนี่ยจะมาถามสำหรับคำถามที่จะถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็เอิ่งก็ดีมาหลวงพ่อตอบได้ทุกคำถามนั่นนะท่านลูกหลานจะถามอะไร แต่หลวงพ่อตอบได้นะเว้นเทียจะถามที่หลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อก็จะตอบไม่ได้ถ้าว่าถามที่หลวงพ่อรู้เนี่ยหลวงพ่อจะตอบได้นะสำหรับพวกลูกหลานที่เดินป้วนเปี้ยนเนี่ยก็จะถามคําถามสําหรับอาถามหลวงพ่อนะอสําหรับพระพุทธศาสนาเขาคงจะถามทางอื่นนั่นนะ กลุ่มอื่นเขาคงจะถามแต่นี่นจะถามเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างพระป่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในป่าหรงพงภัยในเขตอุดรเนี่ยแล้วอยู่อย่างนี้เน่ยเป็นแนวแถวสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นสายผ้าป่านมีความเห็นอย่างไรชาวอุดรช่วยอุดหนุนศาสนาทุกทุกอย่างอย่างไรบ้าง ศาสนาพุทธอย่างไรบ้างชาวอุดอรช่วยอุดหนุนศาสนาพุทธอย่างไรบ้างทําไมเมืองอุดอรจึงเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากเมืองหนึ่งป้าอาจารย์ได้รับการอุ ด, อดหนุนจากชาวอุดอรอย่างไรบ้างอุดอรธานีเป็นบ้านหลอม พระอาจารย์อย่างไรบ้างทาไมเมืองอุดอรจึงมีศาสนาที่ลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงหลายศาสนาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยสันติศกทางทางทีมมีวีดมีโอกาสไม่ได้เลือกถามหมดทุกอย่างนะคะ อาจจะถามหนึ่งสองสามคำถามหลวงพ่อได้อ่านให้ฟังนะแต่ตามมาจริงพุทธศาสนาที่เมืองเมืองอุดร น, นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานนยะพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะะจะว่าไปแล้วกันหลงวลงปู่ขาวหลวงปู่หลวงตาหมหาบัวแล้วก็ครูบาอาจารย์ลอกเมืองอุดรมีมากมายนะที่ อยู่แถบเมืองอุดอรเป็นเมืองอุดอรเป็นเมืองที่มั่นคงเมืองหนึ่งในงเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ทำไมแต่หลวงพ่อพูดก่อนในก่อนตอนช้าเนี่ยเดี๋ยวลูกหลานสัมภาษณ์หลวงพ่อจะพูดเอกต้องกา ร, ต, การต้องการรู้เรื่องอะไรนะรอบที่สองแต่รอบนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังก่อนพอหลวงพ่อมาอยู่เมืองอุดอรตั้งแต่ปี2512ง จนถึง 2,560 นะลูกหลานนับข้อมือดูสิกี่ปีนะ 2,512 นะหลวงพ่อเข้ามาอยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดแล้วก็ปีนี้ก็ปี 2,560 หลวงพ่ อ, อยู่ในอุดอรตลอดไม่เคยจำพรรษาที่ไหนเลยจากนั้นมาถึงวันนี้นะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงพอรู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองอุดอรแล้วก็พุทธศาสนา หลวงพ่อก็ศึกษาโดยตลอดเหมือนกันว่าความเป็นมาของพุทธศาสนาตั้งแต่นูน้นตั้งแต่ต้นตระกูลของพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านอยู่เมืองอุบลแต่ท่านก็เที่ยวเทะเที่ยวเที่ยวพระกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานเที่ยวทุ่งกรรมฐา น, รรฐานหลายหัวเมืองหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านแล้วก็ไปเนี่ยไปเจอท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเนี่ยเป็นเด็ก ท่าอุเทนอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมหลวงปู่มั่นไปทุกแห่งหนอย่างวาดขนาดอําเภอนายวงเนี่ยน้ําตกยงทองเนี่ยหลวงปู่มั่นเคยมาอยู่เมื่อร้อยปีให้หลัง <c oughs> พวกลูกหลานเคยคิดไหมว่าหลวงปู่มั่นจะมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะน้ําตกยงทองใกล้ๆเนี่ยอยู่ถ้าหลวงปู่มัน่นะยังมีอยู่ท่านก็มาจำพรรษาที่บ้านสว่างวัดป่าบ้านสว่างเนี่กับหลวงปู่มั่นเหมือนกัน เพราะนั้นหลวงปู่มันไปทุกหัวละแห่งของในประเทศไทยนะพูดยังไงจากนั้นท่านก่เ น, นี่ยไปพบกับเจ้าคุณจูมนะเป็นเด็กชายจูมนะหูกลางหูกลาง ห, ห, ห, หูเติ่งนะบ้านภาษาบ้านเราคาว่าหูเติง่งหูกลางท่านมองเห็นเอออันนี้มันจะเด็กคนนี้มันจะมีหน่วยกา้านดีควรจะไปบวชแล้ควรจะไปเรียนหนังสือนะเนี่ย ท่านก็ไปมอบให้จุกุลสารพานมุนีเจ้าคณะจังหวัดนครปนมสมัยนั้นท่านจุกุลนั่นก็เลยส่งไปเรียนหนังสือเขาไปกรุงเทพเนะี่ยจากนั้นท่านก็ได้เป็นพ่อครูจากนั้นท่านก็เลยมาเป็นอยู่ที่มนทนอุดรเนี่มณฑลอุดรนีสมัยน้ำชาวเรียกว่ามณทนอุบลมนทนอุดรมนทนโคราชน่ยมันเป็นมนทลนนะีมันไม่ใช่ ก็คงจะเป็นภาคนะถ้าจะเปรียบเทียบทุกวันนี้นะท่านเขามาเป็นเจ้าคณะมนตรอุดรสมัย น, ะาานั้นธรรมหาในกายก็ขึ้นต่อธรรมยุทธ์เหมือนกันนะธรรมยุทธ์ปกครองเพราะว่าทุกคุณธรรมเจดีมาจากส่วนกลางมาจากฝ่ายปกครองมาจ า, จากนั้นมาท่านก็เลยดูแลจังหวัดอุดรแต่ได้เมื่อหลวงปู่มั่นท่านไปเทศนาว่าการที่ไหน ลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือในหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ น, นํามามาบวชที่มาบวชก็จะคุณธรรมะเจดีย์มันเป็นสายต่อเนื่องนะลูกหลานคณะสัตายาญาติโยมนะเอหลวงปู่ขาวอยากจะบวชก็ น, นํามามาบวชจะคุณธรรมะเจดีก็บวชให้เออแล้วก็ครูบาอาจารย์หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่กงมาขนาดหลวงปู่จามมุกดาหารไกลขนาดไหน อย่างต้นด้านมาบวชกับหลวงเจ้าคุณธรรมเจดีหลวงปู่ล่าที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยผลท่านเป็นเมืองอุดรบ้านกุศะตําบลอําเภอในเมืองน่ยบ้านกุสะตําบลหมูมนน่มณ์ตะกรอนแต่ในตําบลกุศะและ้วล่ะท่านก็มาบวชกับเจ้าคุณธรรมเจดีจากท่านท่านก็ไปบวชไปอยู่กับหลวงปู่มั่นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นต้นตระกูลเออเป็นอาจารย์ใหญ่ ของเจ้าคุณธรรมเจดีถ้าจ้านทณธงมณ์เจ้าคุณธรรมเจดีก็รักคารมในหลวงปู่มัน่นจากนั้นหลวงปู่มันท่านได้ลูกศิษย์ลูกหาที่ไหนก็นํามากมาบวชพอบวชเสร็จแล้วนะครูบาอาจารย์เหล่านั้นเมื่อบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติศึกษานําหลวงปู่มันปู่มันก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวธรรมะสู่จิตใจจากนั้นก็ออกไปเป็นเจ้าอาวาสเป็นสมภารอะไรอย่างไ เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่เนี่ยแหละทีนี้นกกระจายล้อมรอบเมืองอุดรท่านก็ปกครองอีกต่างหากท่าปครองี่างหากานก็ปกครองกาานจะรองี่าหาทนรองอีก่างหนกท่เป็นกคร่ท่านก็ปคุ้ม็ครองถ้านองคีหนทําไม่ปนะี่ท่านจ็ชี้ทั น, ะนะนกีปกคร่างหาท่านกครีานะองคีกหนทําไม่ดีเสียต่าหายเนปะี่างท่าน็อยู่ใหกนก็อยู่ในระเบีกบ่างหากท่านั้นกนคะี่แหละ อันนี้ก็คือความเป็นมาของเมืองอุดอรพุทธศาสนาจึงมั่นคงเพราะามีหลักก็ ค, คือหลวงปู่มั่นส่วนหนึ่งแล้วก็เจ้าคุณธรรมะเจดีส่วนหนึ่งจากนั้นเป็นสิทธิ์ยาวนุสิทธิ์ของเจ้าคุณธรรมะเจดีนี่แหละคือความมั่นคงของเมืองอุดอรจากนั้นก็กระจายเป็นขยายออกไปเป็นลูกเป็นหลานอย่างพวกเราเนี่ยถ้าจะว่าเราเนี่ยเป็นหลานก็ว่าได้นะ เป็นว่าเป็นลูกของเราน่ยเป็นหลวงตาเนี่ยเป็นลูกของหลวงปู่มั่นเป็นลูกของเจ้าคุณธรราเจดีย์เราเน่ยเป็นหลานอที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกับเป็นเลน่ไปเลยะต่อไปเรื่อยล่ะจะเนี่อเป็นเสื้อสายแนวแถวของหลวงปู่มั่นแต่จุดนั้นไม่สําคัญในการเป็นอยู่ในการบริหารเรื่องปกครองเรื่องศิลป์แต่เรื่องสมาธิหัวใจ หัวใจที่หลวงปู่มั่นสอนธรรมะเนะ่ยจุดนั้นคือจุดสําคัญเหมือนกับหลักข อ, ของพุทธศาสน า, ากฎระเบียบธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่สําคัญแต่ว่าข้อสําคัญก็คือจุดที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรพระสูตพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นคือหัวใจนะั่นท่านสอนอะไรนะอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาจุดนั้นนี้ก็เหมือนกัน หลวงปู่มั่นวางแผนวางแนวไว้กับเจ้าคุณธรรมเจดีให้พระสงฆ์ปฏิบัติใ น, นหลังหลักพระธรรมวินัยอย่างไรอันนี้ฝ่ายปกครองทางส่วนกลางท่านก็มีปกครองมาแต่ท่านก็เอาธรรมวินัยนะั่นแะเอเอามาแนะนำสั่งสอนนักธรรมตรีโทเอกมหาป ร, ริญญาเจ้คุณเจ้าคุณธรมเจดีท่านก่อนนำมาสอนสั่งสอนประยัตที่ทำ แต่หลวงปู่มั่นเน้นหนักทางปฏิบัติปฏิบัติตพระกรรมฐานเนี่ยคือปริยัตคือการเราเรียนศึกษาปฏิบัติ เ, เมื่อเราเรียนศึกษาเรานํามาปฏิบัติเอแล้วก็ปฏิเวทผลแห่งการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าปริยัติเฉยๆเรียนแล้วเกิดไม่ทํางานมันก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างหมอน่ะพอเรียนจบหมอแล้วก็ไม่ทํางานอยู่เด่นๆหรืน ด, ด้านเหมันชาวบ้านมันก็ไม่แพ้ชาวบ้านเหมือนกันใช่ไหม เพราะไเพราะเรียนแล้วไม่ได้ไม่ได้ใช้วิชาของหมอเนะี่ยอันนี้เราบอกปริยัติเนะี่ยคือเรียนปฏิบัตนะิเมื่อหมอเรียนจบแล้วเนะี่ยนำวิชาเอามารั ก, รกษาคนไข้เมื่อรักษาคนไข้แล้วเนะี่ยคนไข้ก็ให้รางวัลใช่ไหมละ่ะเพราะเพราะรักษาเขาเนะี่ยอย่างค่าหมอเนะี่ยใครานะไปรักษาหมอฟรีมีไหม โดยมากก็มีต่อหมอนหลวงอย่างนี้ก็ต้องเจ็บเงินจากรัฐบาลอกีกเหมือนกันคนละรักษาค่ารักษาสามสิบาทเนี่อแต่ทุกวันมันไม่ใช่สามสิบเลยใครแค่หัวหนึ่งเขาคิดถึงสามพันกว่าบาทแต่และหัวละหัวนะ เ, เขาออกมาเลยเป็นเงินรัฐบาลเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็ไม่ใช่ของไม่ใช่ของฟรีนะอันนี้ก็เหมือนกันนะปริญญาตรคือเรียนปฏิบัติอคือทํางาน ปฏิเวทคือผลตอบแทนนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะแต่ น, นี้หลวงปู่มั่ น, นท่านสอนปฏิบัติเพราะปริยัตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพวกเราได้ศึกษา เ, เรื่องศีลธรรมอยู่แล้วปริปริยัตปฏิบั ต, ติหลวงปู่มั่นเออเนี่ยมีแต่ว่าศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิให้ตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้ในกองสังขารด้านพูดในปริยัตนะ แต่หลวงปู่มั่นท่านเอามาสอนว่าสมาธิจะทํายังไงจึงตั้งใจมั่นวิธีการทําทําอย่างไรจะทํำยังไงสมาธิให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองนะให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่ในอริยบทยืนเดินนั่งนอนให้มีสติสัมปะชัญญะแต่เราจะให้เป็นสมาธิจริงๆให้นั่งนั่งสมาธิแล้วก่อนนั่งจะทํายังไง ไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งกลางถนนไปนั่งอยู่ที่ชุมชุ่มชุ ม, ช, ม, ช, มชนฟุ่นฟายเสียงสนัน่นวันไหวเสียงร้องรําทําเพลงไมโครโฟนเอลําโพงดังแจ๊ดแจ๊ดจะไปนั่งภาวนาฮ ะ, ะมันไม่ใช่สถานที่อย่างนั้นท่านก็บอกว่าต้องเข้าไปอยู่ป่าดวงพงไพ่อยู่ในที่สงบอยู่ในหลีกไปหลีกเล่นอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำอยู่ในที่สงบสงัดนะี่ เมื่อในได้ที่สงบสังัดแล้วเย้เป็นกะระตบกระตอมห่มหอยอยู่โคลนต้นไม้ไม่มีใครพุกผ่านวุ่นวายนั่นแหละแต่ก่อนที่จะนั่งภาวนาเราขัดนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นก็ประนมมือขึ้นระหว่างอกก่อนนะไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบ คือไหว้เพราะเรานั่งสมาธินะั้นไม่ใช่เราคิดได้คิดทําอไม่ใช่ผู้ใดใครผู้หนึ่งบอกให้ทําเราได้ศึกษามาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก่อนที่จะทําเราต้องไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนในเมื่อไหว้เสร็จแล้วปนมมือเสร็จแล้วเอามือหลงเอามุมเอามือขวาทับมือซ้ายพอขาขวาทับาขาซ้ายอยู่แล้วใช่ไหมเอามือขวาทับมือซ้ายเท่นี้เพราะนั้ มือขวาทำเหมือนใช้กำหนดลมหายใจเข้าให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธแต่พระพุทธเจ้าท่านภาวนาทำไมาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนะเออพระพุทธเจ้าตอนไม่ีแต่กำหนดลมหายใจเข้ารั้วหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนว่า เรากำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยมันหลุดมันหลงมันลืมมันเผลอได้ง่ายควรจะสำทับกับพุทโธเขาด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธในนั้นเมื่อหายใจเข้าออกพุทหายใจออกจิตใจของเราอยู่ตามลำพังอยู่นั่งอยู่เง่าต้นไม้โคลนต้นไม้อยู่ในกุฏิอยู่ในที่แจ้งลอมฟางอยู่ในถ้ำอยู่ในที่สงบสงัด อย่าไปอยู่ในที่วุ่นวายเวลานั่งสมาธิะเออหาหมุมสงบอย่าไปอวดคนเวลานั่งสมาธิอยากจะให้คนเห็นไม่ใช่เราอยู่นั่งอยู่ใน ม, มุมเงียบปิดสนิทจนคนเรามองไม่เห็นคนคนมองไม่เห็นเรานั่นแหละเอวิธีการนั่งสมาธิไม่ใช่ว่านั่งให้คนเห็นว่าตัวเองนั่งสมาธิไม่ใช่นะนั่งอวดคนนะั้นไม่ได้ละมันอวดในใจแล้วมันจิตใจมันออกไปข้างนอกแล้วมันไม่เป็นสมาธิหรอก จากนั้นก็นั่งอยู่ตามลำพังเงียบดูลมหายใจเข้ารูลมหายใจออกบริกรมรมพุโทโธพุทโตพุทถ้ามันเผลอไปดึงกลับคืนมาถ้ามันเผลอไปดึงกลับอย่าให้มันเผลอให้ตั้งต้นไม้ให้ตั้งจิตให้เข้มแข็งขึ้นพอในสุดเมื่อจิตของเราอยู่ในความตั้งท่าในความสงบจิตใจจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ง จิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอจากนั้นก่อนนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอ่านกันพูดรู้ได้เลยทีนี้ตายแล้วเกิดได้ตายและสูญไม่ต้องถามใครถามตัวเองเลยทีนี้อันไหนคือตายร่างกายเนี่ยตายแน่นอนแต่จิตใจตัวรู้รู้นะ ตัวนามธาทมตัวนั้น่ะไม่ตายไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆนี่แหละอันนี้คือแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านสิทธิสอนสิทธิญาณสิทธิของท่านจากนั้นท่านก็ทีสอนเรื่องวิปัสสนาต่อไปแหละจะทำยังไงจะถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธโลงออกจา ก, กจิตใจให้จิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสได้นะท่านก็สอนนะท่านมีมากมายลูกหลานถ้าหลวงพ่อจะนั่ง พูดอยู่ตรงนี้กูบาทั้งหลายคงไม่ได้ฉันอาหารวันนี้เอาละเท่านี้พอก่อนนะอับพอในเสนี้นะ